คุณสมบัติประการหนึ่งที่เราเรียกว่าธรรมคุณก็คือโอปัญญิโกะเร า, เาสวดทั้งเช้านะทั้งเย็นแปลว่าเป็นสิ่งที่พึงน้อมเข้ามาใส่ตัวความหมายหนึ่งก็คือว่าธรรมะที่เราได้อ่านได้ฟังจากพระไตรปิฎกก็ดีจากคำพีหนังสือและคำสอนครูบาอาจารย์ก็ดี เราต้องน้อมนามาปฏิบัติกับตัวนะฝึกหัดดัดแปลงที่กายวาจาแล้วก็ใจถ้าไม่น้อมเข้ามาปฏิบัติกับตัวเองนะมันก็ไม่เรียกว่าธรรมะนะมันก็เป็นยงยังเป็นสิ่งที่อยู่ในหนังสือจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้รู้ธรรมยังไม่ได้ แต่ว่าการน้อมน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยนะมันมีความหมายมากกว่าที่พูดมาหมายความว่าอะไรก็ตามที่อยู่นอกตัวเราได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีได้สัมผัสก็ดีถ้าเราน้อมเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจ หรือเป็นสิ่งสอนใจทำให้เกิดกุศลธรรมขึ้นเช่นทำให้เข้าใจความจริงของชีวิตทำให้ตั้งจิตอยู่ในความไม่ประมาทหรือทำให้เกิดความเพียรเป็นต้นเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมะได้นะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่จํากัดแค่ ถ้อยคำในพระไตรปิฎกในคำพีหรือว่าถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์ได้อเทศนาสั่งสอนแต่ว่ามันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ได้ที่เราน้อมเข้ามาเพื่อทำให้เกิดการเจริญงอกงามทั้งกายวาจาหรือใจ หรือทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเอาความหมายของอุปนญิโกนะอันหลังนี้สำคัญมากนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถจะเห็นธรรมได้จากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สามารถจะนำทุกสิ่งทุกอย่างนี่มาเป็นเครื่องฝึกฝน พัฒนาตนได้ถ้าไม่เข้าใจเช่นนี้เราก็จะไป น, นึกว่าธรรมะนี้มีอยู่แต่ในพระไตรปิฎกอยู่ใ น, ในคำพีหรือว่าอยู่ในแผ่นซีดีของครูบาอาจารย์อันนั้นจะเป็นความหมายที่แคบมากแล้วก็เลยจะเข้าใจต่อไปว่าต้องต้องเรียนตำราต้องอ่านคำพีหรือว่า ต้องเข้าวัดนะถึงจะรู้ธรรมสมัยสักสมัยที่หลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่นะเราก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงก็ประมาณสัก70ปีมาแล้วนะหรือว่า8ปปีมาแล้วท่านมีวัดปฏิบัติที่แตกต่างจากพระทั่วไปโดยเพราะพระธรรมยุทธนะ์นะเพราะว่าพระธรรมยุทธ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ อยู่วัดแล้วก็เรียนปริยัตินะเพราะว่าธรรมยุทธ์นี่เป็นเป็นนิกายที่ในสมัยนั้นให้ความสาคัญกับเรื่องการศึกษาด้านปริยติธรรมมากตำราต่างๆที่ที่ผลิตกันในช่วงนั้นเนี่ยโดยเพราะก็เกิดจากพระสมเด็จพระมมาสมณเจ้ากรมพย า, ยาวัชิยามรโรท่านก็เป็นธรรมยุทธ เป็นประมุขของธรรมยุทธ์นะแล้วท่านก็ส่งพระธรรมยุทธ์ที่เรียนที่ศึกษาจากหลักสูตรของท่านเนี่ยไปตามหัวเมืองเพื่อนําเอาการ ศ, ศึกษาด้านปริติธรรมเนี่ยไปเผยแพร่แต่ว่าถ้าจันมั่นนี่ท่านไม่ได้มีใจไปทางนั้นนะท่านก็เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมในป่าเดินธุ ด, ดงค์จาริกแล้วก็ตอนหลังก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย อันนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครองคณะสงฆ์ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับมณฑลนะสมัยนั้นยังมีมณฑลอยู่คณะมณฑลทนีสารท่านไม่พอใจมากนะที่เห็นพระที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นแล้วก็รวมทั้งพระอาจารย์สิงห์สหายธรรมของพระอาจารย์มั่นนี่ชอบใจฤทธุดงไม่อยู่วัดก็เรียกว่าเป็นพระ จระจัดนะพรจรจัดนะนี่เป็นคำใช้เรียกพระปราในสมัยนั้นนะคือแสดงความดูถูกพระจรจัดไม่เป็นหลักแหล่งเวลาพระสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์ไปจาลิกที่ไหนในภาคอีสานอย่างเช่นคราวนึงไปจาลิกเถวอุบล น, นะรู้สึกจะม่ง30มั้งเจ้าคณะบนภาอีสานก็สั่งให้เจา้าคณะเพอไล่ซะ ให้ออกจากพื้นที่เพราะว่าถือว่าไม่ปฏิบัติตามคณะสงฆ์จนกระทั้งต่อมาเจ้าคณะมนทนนั้นเนี่ยภายหลังได้มาเป็นสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็เป็นสังฆนายยกแต่ถึงตอนนั้นท่านก็เปลี่ยนใจแล้วไม่ไม่รังเกียจพระพระป่าเลยเพราะสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์ กศรัทธาที่ศรัทธาก็เพราะว่าท่านท่านป่วยแล้วก็ทำยังไงก็ไม่หายแต่พอได้รับคำแนะนำจากลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะก็คืออาจารย์ฟันอาจารย์ลีนะซึ่งเก่งในเรื่องสมาธิลและสมุนไพรท่านก็ทำสมาธิแล้วก็ใช้สมุนไพรก็หายนะถึงก็ออกปากว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิมันจะมีคุณเพียงเพียงนี้นี่ขนาท่านเป็นพระที่เลี้ยนสูงนะชั้นปริยัติประโยก6ประโยก7ได้เพิ่งมาเห็นคุณ้างสมาธิก็ตอนที่ป่วยแล้วก็รักษาได้ด้วยสมาธิก็เกิดศรัทธาหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของพระจันทร์ฟันพระจันทร์ลีและเมื่อ วันหนึ่งได้โอกาสพบพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นก็ถามว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยนะอาจารย์มั่นเนี่ยนะไม่ได้เรียนสูงประเพณีธรรมก็ไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่แต่ทําไมจึงรู้ธรรมนะได้อย่างลึกซึ้งแสดงธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าธรรมะมีอยู่ทุกแห่งหนสําหรับผู้มีปัญญา ธรรมะมีอยู่ทุกอย่างแห่งผลสำรับผู้มีปัญญาธารรมะอยู่ทุกที่นะอยู่ที่ว่าจะมองเป็นหรือเปล่าถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมอันนี้ก็มีตัวอย่างมากมายน ะ, ะจากเรื่องราวของพระเทระเทรีทั้งหลายในสมัยพุทธกาลตัวอย่างนึงก็ได้แก่ท่านพระจุลพันธกาฏุจุลปันธ ก, กาฏนี้ท่านเป็นหลานของเศรษฐีเมืองราชคลึก แต่ว่าปัญญาทึบนะีมาบวชพร้อมพี่ชายแต่พี่ชายปัญญามีปัญญามากฉลาดบรรลุ ธ, ธรรมได้เร็วก็พยายามเคี่ยวเข็นน้องให้เข้าใจธรรมะเคยให้คาถาทมอยู่หนึ่งคาถาให้น้องชายไปท่องท่านใช้เวลาสี่เดือนก็ยังท่องไม่ได้พี่ชายก็เลย เห็นว่าน้องชายเนี่ยคงหมดหวังแล้วเลยจะคิดว่าไม่มีความเพียรแค่คาถาหนึ่งคาถาไม่กี่บรรทัดยัยงท่องไม่ได้เลยก็ไล่ให้ศึกจ่านจุลปันติกาก็เสียใจนะก็คิดว่าศึกดีกว่านะเอาดีทางนี้ไม่ได้พี่ชายก็ไล่ด้วยแต่พระพุทธเจ้าเห็นก็ทรงเห็นว่าเนี่ยจุลปันติกาเนี่ยมีเรียกว่า ความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะว่าการบรรลุธรรมนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความฉลาดหรือความช่างจดช่างจําได้หรือไม่ก็มอบกรรมฐานให้กับนะท่านจุลพันตกะคือว่ามอบผ้าสีขาวให้ผืนหนึ่งแล้วก็ให้ท่านจุลพันตกะเนี่ยลูปนะลูปผ้าไปเรื่อยๆ แล้วก็บริกรรมไปด้วยนะรโชหารนังรโชหารนังแปลว่าภาเพเปื้อนฝุ่นหรือภาเพเปื้อนทุลีนันจุลปัตธการที่ท่านถึงแม้จะปัญญาทึบแต่ว่าเป็นคนที่ว่าง่ายก็ทำตามนะก็รูผ้าไปรูปไปเรื่อยๆลูปไปเรื่อยๆแล้วก็บริกรรมไปด้วยทาไปทาไปเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิ และนเวลาเดียวกันก็เห็นว่าผ้าเนี่ยที่มันเคยขาวมันก็ค่อยๆหมองคล้ำลงนะคล้ำด้วยเหงื่อนะคล้ำด้วยทุลีพอจิตเป็นสมาธิเนี่ยท่านก็เห็นท่านก็น้อมนะน้อมผ้านะที่หมองคล้ำเนี่ยคือโยงเข้ามากับตัวเองแล้วว่าเนี่ยผ้าที่หมองคล้ำก็ไม่ต่างจากจิตที่มันสว่างสวยแล้วมันก็เศร้าหมอง เพราะว่ากิเลสเข้ามาเกาะในขณะเดียวกันท่านก็เห็นความไม่จีรังหรือพระไตายรักเนี่ยจากผ้านั้นด้วยบอกว่าท่านก็บรรลุธรรมไปผ่ารหัสนัทันทีเลยแล้วก็มีเรียกว่ามีอภินยานยตามมาด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าผ้าสีขาวเนี่ยนะ เมือ่อลู่จนหมองคล้ำแล้วถ้าพิจารณาไม่ใช่เห็นสักแต่ว่าผ้าแต่ว่าโยงเข้ามาสู่ใจของตัวเองนะก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็เห็นว่าเนี่ยจิตนี่มันเศร้าหมองพระกิเลสก็ทำให้เห็นภัยของกิเลสและขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นความเป็นใตลักนะ จากผ้าที่มันแปลเปลี่ยนไปจากขาวเป็นหมองท่านก็มองเห็นเป็นไตรลักษณ์ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าน้องเข้ามาใส่ตัวนะน้องเข้ามาใส่ตัวแล้วคนทั่วไปเนี่ยเห็นผ้าขาวแล้วกลายเป็นคล้าก็เฉยเฉยไม่ได้แปลกอะไรนั่นเป็นเพราะว่าไม่ได้น้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของตัวเองหรือไม่รู้จักโยงไม่รู้จักเทียบก็ใน่งของท่านจุลปันธากาสนี้ก็ชี้เห็นว่าเรื่องการบรรลุ ธ, ธรรม หรือการเกิดปัญญาหินแจ้งในศาสนาธรรมนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาทางโลกนะหรือวความช่างจดช่างจำจริงจริงแล้วนี่ไม่ว่าเป็นใครนะก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ถึงแม้จะเป็นโจรผู้ร้ายอย่างองค์ุริมานอย่างจะเป็นคนที่ช่างขโมยนะอย่างนางขุชตาตาระนะที่ชอบขโมยยกักยอกเงินที่นาง สามารถวดีให้ไปซื้อดอกไม้นะก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันได้โจนผู้ไล่หลายคนก็เป็นพระอรหันต์แม้แต่เนนนะเนนก็สามารถจะบรรลุ ธ, ธรรมได้เนนสุกนะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะเป็นเป็นสิทธิ์ของภาษาลิบุตรวันหนึ่งก็บินธบาตตามภาษาริบุตรไประหว่างทางก็ผ่านทุ่งนา ก่อนจะเข้าถึงหมู่บ้านก็เห็นทุ่งนาเห็นชาวนากำลังทดน้ำเข้านาเดินไปสักพักเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นชาวบ้านที่เป็นช่างธนูกำลังดัดลูกศรเดินต่อไปอีกหน่อยเห็นช่างไม้กาลังดัดกาลังถากไม้ฉันก็มีความคิดหนึ่งว่าขึ้นมาว่าไอสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจในยอย่างน้ำก็ดีจังไม้หรือลูกศรเนี่ยมนุษย์เราก็ยังสามารถที่จะ บังคับควบคุมดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ได้และเราล่ะนะเราซึ่งมีจิตใจทำไมจะบังคับควบคุมตนเองให้เกิดประโยชน์หรือให้เจริญ ง, งอกงามไม่ได้พอคิดเช่นนี้ข้าท่านก็เกิดเรียกว่าความตั้งใจยอย่างแรงกล้านะที่จะบำเพ็ญภาวนา ก็เลยขอลานะพระสายเบุตรนะบอกขอกลับไปที่วัดไม่ได้บอกสาเหตุนะไม่ได้บอกเหตุผลแต่พอกลับไปถึงเชตวันก็เข้าไปบําเพ็ญภาวนาในวิหารจิตก็เป็นสมาธิเกือบจะเกือบจะรู้แจ้งอยู่แล้วนะพระสายเลบุตรก็กลับมาถึงที่เชตวันพอดีพระเจ้าก็เกรงว่าพระสารเบุตรจะมาขวางทําให้การปฏิบัติการเจริญภาวนาของ สามเณรสุกนี่สะดุดนะก็เลยไปขวางเอาไว้คื อ, คอชวนคุยนะชวนคุยอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งสามเณรสุกนี่ก็บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์อันนี้จึงเป็นที่มาของพระภาษิคมุตเจาที่บอกว่าชาวนาไถน้ำเข้านาช่างธนูดัดลูกศรช่างไม้ถากไม้ส่วนบัณฑิตฝึกตนนะ คือสามในสูงนี้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเห็นสามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแสนจะธรรมดามากแต่ถ้าไม่ได้เห็นแล้วมองผ่านไปท่านก็มองย้อนเข้ามาสู่ตัวเนี่ยว่าน้ําก็ดีไม้ก็ดีลูกศรก็ดีไม่มีจิตใจมนุษย์เราก็ยังสามารถจะบังคับดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ได้และเราล่ะนะมีจิตใจเราจะบังคับควบคุมดัดแปลงตนเองไม่ได้เชือหรือท่านยังมองเปอีกว่าเนี่ย ชาวนาก็ดัดแปลงสิ่งภายนอกช่างไม้ช่างธนูก็ดัดแปลงสิ่งภายนอกและเราเป็นนักบวชจะทำอะไรก็ต้องมาจัดการฝึกฝนตนเองอันนี้เราว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวนะคือน้อมสิ่งที่เห็นเพื่อมาเตือนสติหรือว่าเตือนใจให้ทำความเพียรมันจะมีเรื่องแบบนี้เยอะบางท่าน ทิจารณาดอกบัวที่บานที่บานที่ตูมแล้วก็บานแล้วก็เริ่มร่วงโรยถ้าไม่ได้เห็นแค่นี้แต่ท่านเห็นโยงมาถึงสังขารของของตนว่าย่อมมีเสื่อมไปนะเห็นดอกบัวแล้วท่านก็เห็นไตรลักษณนะ์เห็นไตรลักษณ์ซึ่งก็รวมถึงเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์ความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตนของสังขารคือ รูปนามกายใจนะที่ครองอยู่ด้วยพระเทลีบางท่านนะพันธานติ ก, กานะภาวานาอยู่แล้วก็บางครั้งก็ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่แต่ว่าวันหนึ่งนี้เห็นช้างนะเห็นควานช้างเขาบังคับควบคุมช้างให้มันย่อเข่าลงให้มันยืนขึ้นยอมให้คนควานช้างเขาไปเขาไป เข้าไปขึ้นขี่คอท่านก็เห็นว่าเนี่ยควันช้างเนี่ยสัตว์เดรัจฉานยังฝึกได้เลยแล้วทำไมใจของเรามันจะฝึกไม่ได้ถ้ากเกิดความเพียร น, นะในการฝึกจิตสุจใจตนจ น, นกระทั่งบรรลุธรรมอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตนะที่ว่ารู้จักรู้จักมองสามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมามาใช้ในการ เตือนสติตัวเองได้สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่แสนจะธรรมดาสา ม, มัญเมื่อจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไดนะ้สิ่งที่คนเขาอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่กระตุ้นราคะนะแต่ว่าถ้ามองให้เป็นนะก็เห็นทำได้เหมือนกันอย่างพระลกุลตะกัดพัทิยาตัวเล็กๆนะ ตัวเตี้ยๆป้อมๆนะเราลองนึกภาพอย่างโกตีนะท่านเป็นพระนะแล้วก็วันหนึ่งก็นางคณิกานั่งรถนั่งนั่งรถม้าผ่านมาพอเห็นพระลุกุนตะการพัิยะท่าทางตัวเล็กๆก็ยิ้มให้นะเห็นฟันนะสวยเลย ท่านทนรกุนตะการพัทยานี่ก็เห็นเห็นฟันของนางคณิกาซึ่งก็คงจะสวยนะแต่ว่าแทนที่ท่านจะเห็นแล้วเกิดราคะท่านกลับมองว่านี่โอ้นี่มันเป็นบ่วงแห่งมาร น, นะเป็นบ่วงแห่งพยามัจจุราชที่ทําให้คนนิรุ่มหลังรุ่มหลงในวัตะสงสารจมอยู่ในทุกข์ท่านเห็นเป็นโทษเลยนะแล้วเนี่ยคือโทษของสังขารโทษของระโทษของกามความเบื่อหน่ายนะคลายกำหนัดก็เกิด แล้ท่านก็บรรลุธรรมนะเป็นพระนาคามีแต่บางท่านก็เห็นภาพคล้ายๆกันแต่ว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ก็มีนะเช่นพระนักสัมมา น, นี้เป็นตัวอย่างมากมายว่าการทำมานี่มันมันไม่ใช่อยู่แต่ในคำภีนะมันอยู่มันอยู่ทุกข์ทุกแห่งนะถ้ามองเป็นนะก็จะเห็นธรรมหรือว่าถ้าโยงเข้ามา สู่จิตสู่ใจของตัวเองนะมันก็เกิดเป็นธรรมะขึ้นมาทําให้เกิดกุศลธรรมขึ้นอันนี้แหละเนี่ยที่ทําให้หลวงปู่มั่นท่านพู้ว่าเนี่ยธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสําหรับผู้ที่มีปัญญาให้เราเห็นอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเรามองเป็นเนี่ยนะเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เห็นได้เคยเล่าแล้วน ะ, ะผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นคนเมา ในร้านอาหารแล้วก็พูดเรียกว่าดูถูกนะว่าเนี่ยโง่ชิดพายเลยนะกินเหล้าแต่ถูกเหล้ากินเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นคนติดเหล้าที่แรกก็กินเบียร์ก่อนกินเบียร์ก่อนต่อหลังกินเบียร์ขวดเดียวไม่พอต้องสี่ห้าขวดพอกินมากๆเนี่ยเงินไม่พอจ่าย เพราว่าเป็นแค่นักวาดรูปก็เลยเปลี่ยนมากินเหล้าแทนบอกว่าเป๊กๆ เ, เดียวก็พอแล้วเป๊กเดียวก็เอาอยู่แล้วนะมันแทนมันแทนเบียร์สีห้าขวดได้สุดท้ายก็ติดเหล้าแล้วก็อัมพาตแล้วก็ตายเพราะเหล้าแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดในการมองเขาก็จะมองว่าเนี่ยเออเห็นคนกินเหล้าแล้วก็เมางี้ก็ น้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นเครื่องเตือนใจว่าเหล่านี้มันน่ากลัวนะพยายามอย่าเข้าใกล้นะเจ้าคิดแบบนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในความไม่ประมาทนะแต่ว่าการที่เขาเนี่ยพูดจาดูถูกคนกินเหล้านะมันก็ทําให้ตัวเองนี่ประมาทคิดว่าตัวเองนี่แน่และเหล่านี้เอาไม่สามารถจะ เล่นงานตัวเองได้มันเล่นได้แต่คนโง่แต่ว่าเล่นงานชั้นไม่ได้อันนี้ความประมาทเกิดขึ้นการเห็นคนกินเหล้าแล้วเราน้อมเข้ามาใส่ตัวนะให้เห็นเพื่อเตือนใจไม่ให้ประมาทเนี่ยมันก็เป็นธรรมะได้นะคนกินเหล้าก็สามารถจะเป็นธรรมะสอนใจเราได้เหมือนกันเราเห็นคนโกรธนะเห็นคนโกรธแล้วเนี่ยเราก็ น้อมเข้ามาใส่ตัวเตือนใจนะว่าถ้าโกรธอย่างเข้านี่เราก็เป็นยักษ์เป็นมารได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยดูหนังดูละครเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะละครที่เอาเรียกว่าน้ำเน่าทั้งหลายเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่มากมายถ้าน้อมเข้ามาใส่ตัว เราก็จะเห็นโทษนะของความโกรธความโลภความอิจฉาเราก็จะระมัดระวังตัวไม่ให้เป็นอย่างนั้นธรรมานี้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คือการนะกลับมามองที่ตัวเองนะไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่ส่งจิตออกนอกหรือว่าไม่ไปร่มหลงหรือว่าผลักใสสิ่งที่เห็นแต่ว่าจะฉลาดในการที่จะ โยงเข้ามาเพื่อสอนตัวเองหรือว่ากลับมาดูใจของตัวเองว่ามารู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เห็นสิ่งที่รับรู้แล้วคนทั่วไปนะมุ่งส่งกิงออกนอกมุ่งไปปรับปรุงสิ่งภายนอกนะแต่ว่านักปฏิบัติธรรมนะหรือว่าบัณฑิตนะที่พุทธเจ้าชอบใช้เพบัณฑิตก็คือกลับมามองตัวเอง กลับมาแก้ไขที่ตัวเองไม่ใช่มุ่งแต่ไปแก้ไขาภายนอกแล้วถ้าเรากลับมามองตัวเองเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยเวลาความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่ไหนมันแก้ที่ตัวเองไม่ใช่แก้ที่คนอื่นแต่ถ้าไม่รู้จักแก้ที่ตัวเองนะเช่นไม่รู้จักระมัดระวังปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาครอบงาให้ความโกรวความเกลียดความเศร้าครอบงา ก็เป็นเราเองที่ย่ำแย่มีหลายคนมาปรึกษานะไม่รู้ว่ามาปรึกษาหรือมาระบายมาคร่าครวนอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนนะก็มาคร่าครวนเสียใจที่สา ม, มีมีชู้นะสา ม, มีนอกใจนะแล้วก็ทําใจไม่ได้ก็เตือนเข้าไปว่า เราเสียใจหนะ้าที่เขาไม่รักเราแต่เราเคยถามตัวเองไหมว่าทําไมเราไม่รักตัวเองในเมื่อเราไม่รักตัวเองจะให้คนอื่นรักเราได้อย่างไรเขาก็สงสัยว่าไม่รักตัวเองอย่างไรก็จะรักตัวเองได้อย่างไรนะถ้ารักตัวเองก็ไม่ปล่อยให้ความทุกข์มันเล่นงานจิตใจเอาแต่คุ่นคิดนะถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้ว เฝแต่เรียกร้อยคนอื่นรักเรารักเราและทุกใจที่เขาไม่รักเราแต่ว่าเรากลับไม่รักตัวเองแล้วคนที่ทรงจิตอนน อ, ก อ, กอกนอกนี่จะไม่เคยถามเลยว่าสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่กําลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือการทําร้ายตัวเองพระเจ้าตัดว่าคนพาลเนี่ยนะทํากับตัวเองเหมือนกับศัตรูก็คือทําร้ายตัวเองคนพาลในที่นี้ท่านหมายถึงคนชั่วที่ ทำบาปทั้งกายวาจาใจไอบาปที่ทำนะทุติยฤทธิ์ที่ทําทางกายวาจาใจเนี่ยมันย่อมกลับมาทําร้ายตัวเองแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะคนผ่านเท่านั้นนะบางทีคนที่ไม่มีปัญญาก็กทํากับตัวมันก็ศัตรูเหมือนกันก็คือว่าเอาแต่แบกนะเอาแต่คุ่นคิดนะถึงสิ่งที่ มันทิ่มแทงจิตใจตัวเองไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จั ก, กวางเขาไม่รู้ว่าถ้าเป็นเพราะเขาไม่มองตัวเองเขาถึงไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกำลังทำร้ายตัวเองเขาไม่ได้รักตัวเองเลยเริ่เมื่อเขาไม่รักตัวเองแล้วเนี่ยจะหวังให้คนอื่นรักเขาได้อย่างไรหลายคนรู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่มีคุณค่านะพอผู้ชายทิ้งไปก็ลงโทษตัวเองว่าฉันไม่มีคุณค่า แล้วก็ตัดใดที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วนี่จะเห็นจะให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเราได้อย่างไรนะถ้ากลับมามองแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่จมอยู่ในความเศร้านะจะสลัดความทุกข์ออกไปแล้วก็กลับนะลุกขึ้นมายืนจยัดนะเดินต่อไปใครเขาจะทํากับฉันอย่างไรนะ แต่ฉันก็จะไม่ทําร้ายตัวเองได้พูดไปเมื่อหลายวันก่อนแล้วนะว่าไม่มีใครนะที่จะขโมยความสุขไปจากเราได้ไม่มีใครที่จะยัดเยียดความทุกข์ให้กับเราได้เขาอาจจะด่าเราเขาอาจจะไม่เคารพเราอาจจะดูหมิ่นเราอาจจะไปรักคนอื่นนอกใจเราแต่ขอไม่สามารถจะทําให้เราทุกข์ได้ ขอไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้ไอ้ที่ทุกข์ใจก็เพราะว่าปล่อยให้ความโกรดความเศร้าความแค้นเนี่ยมันเล่นงานจิตใจโดยการเอาแต่ความเอาแต่การคุ้นคิดคุ้นคิดถึงอดีตและก็ไม่อยอมรับความจริงคนเราถ้ายังคุ้นคิดถึงอดีตไม่ปล่อยไม่วางสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แล้วก็ไม่อยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทุกข์ทรมานอย่างยิ่งไม่ว่าเงินที่หายทรัพย์สมบัติที่สูญไปมันก็เป็นอดีตไปแล้วหรือว่าความสัมพันธ์ที่เคยหวานชื่นมันเป็นอดีตไปแล้วก็ต้องปล่อยหรือแม้กระทั่งการกระทำที่ไม่ดีที่เขาทากับเรามันก็ผ่านไปแล้วก็ต้องวางแล้วก็อยอมรับความจริง เป็นเพราะไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ยังติดอยู่กับอดีตนั่นแหละก็ทำให้ทุกข์เองนี่ถ้ากลับมามองใจนะกลับมาดูกายเอากลับมาดูใจตัวเองมันจะเห็นนะว่าเป็นเพราะความคิดนะเป็นเพราะความยึดติดของตัวดังหากนะที่มันทาให้เป็นทุกข์และนี่แหละที่เราเป็นการทำร้ายตัวเองนะแต่ถ้าเห็นแล้วนี่มันก็จะหยุดทำร้ายตัวเองแล้วปล่อยวางแล้วก็เดินหน้าต่อไป และถ้าฉลาดกว่านั้นเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใครๆเรียกว่าเคราะห์เนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์คือนอกจากจะไม่ถูกมันนอกจากจะไม่ทุกข์เพราะเหตุการณ์หรือเคราะห์แล้วเนี่ยก็ยังสามารถจะเจริญงอกงามได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้จักใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นเนี่ยหลายคนพอผ่านเหตุร้ายไปได้เนี่ย เขาขอบคุณนะขอบคุณที่ป่วยขอบคุณที่ล้มละลายขอบคุณที่แฟนทิ้งเพราะว่ามาททำให้เขาได้เห็นธรรมทาให้เขาได้กล้ากแกร่งกว่าเดิมทาให้เขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นหรือทำให้เขาเป็นอิสระมากขึ้นอันนี้เพราะว่าไม่ปล่อยใจให้มันจมอยู่ในความทุกข์เนี่ยก็เลยมีสติมีปัญญา สามารถที่จะน้อมเอาเหตุการ์ต่างๆที่มันแย่แค่ไหนเนี่ยให้มาเป็นเครื่องเตือนใจหรือสอนใจได้เพราะนั้นเนี่ยเรื่องการน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยนะเราถ้าเราฉลาดนะในการในการทำเช่นนี้นะก็จะเห็นทำแล้วก็จะได้เข้าใจทำจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าบวกหรือลบ หรือไม่ว่าจะเป็นธรรมดาแค่ไหนก็ตามคำนี้ก็พูดกับท่านี้นะ